โรคระบาด ท, ทางวิญญาณคนรักอาจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณมากที่สุดมาตรวัดความเป็นคู่บุญอย่างหนึ่งคือการติดนิสัยดีๆมาจากกันและกันมากกว่าจะเอานิสัยเสียๆของอีกฝ่ายมาใช้พออยู่กับใครมากๆคนจะเอานิสัยของคนคนนั้นมาใช้จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคนรัก อาจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณมากที่สุดหรืออีกนายยะหนึ่งคืออาจเป็นตัวแปรให้กรรมของคุณเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งกว่าใครแบบอย่างความดีงามบางประการในตัวคนรักอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเห็นดีเห็นงามตามโดยไม่รู้สึกตัวบางเรื่องที่คุณดื้อใครสอนอย่างไรก็ไม่ฟังคุณอาจโ อ, อนออนลงกระทั่งเปลี่ยนนิสัยได้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 ให้กลายเป็นนักโกหกตามเขาหรืออาจปั่นหัวคุณแทบเป็นบ้าด้วยการแกล้งงอนให้ตามงอหรือด้วยนิสัยเจ้าอารมณ์ของเขาอาจทำให้คุณกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ตามโรคระบาดทางวิญญาณติดง่ายแก่ยากบางทีต้องทำแบบฝึกหัดใกล้ตัวทุกวันคนใกล้ตัวเป็นโรคทางวิญญาณแบบไหน เราอธิษฐานเป็นจิตวิญญาณตรงกันข้ามแบบนั้นหวังเอาตัวเราเองเป็นยาดีรักษาเขาให้หายจริงเขามักร้อนเราต้องมักเย็นเขาชอบพูดกระแทกเราต้องชอบพูดประโลมเขาไร้เหตุผลเลวไหลเราต้องมีเหตุผลหนักแน่นลดโทสะในเขาในเราด้วยการเพิ่มคำพูดดีๆป้องกันโทสะในเราในเขาด้วยการหยิบยื่นอะไรดีๆให้ ถ้าพวกคุณเย็นด้วยกันทั้งคู่ต่อให้ต้องวิ่งผ่านทะเลทรายก็จะเย็นช้ำอยู่ข้างในประดุดเป็นแอร์ให้แก่กันและกันตลอดเส้นทางไกล